จุนสังเกตไหมสัดส่วนคนที่มาวัด น, นี้นะอายุน้อย <c oughs> คนแก่ก็มีมกันนะแต่นานๆาามีบันทีไม่ค่อยมี อ, <c oughs> อาจจะพ่อหลวงพ่อพูดกับคนแก่ไม่รู้เรื่องก็ได้ถ้าเคยชินแต่ว่าจะฟังเทศบบช้าๆนะพูดไม่เป็น <c oughs> ให้โจ้หายไปนาน ดูสิมีแต่เด็กๆมีแต่นะมีแต่กำลังแรงงานดีนะเราศึกษาธรรมะตั้งแต่อายุขนาดนี้ดีแล้วแกแล้วเรียนยากนะยิ่งแกยิ่งศึกษายากขึ้นยากขึ้นให้เดินจงกรมก็เดินไม่ไหวนั่งนานก็เมื่อยทำอะไรไม่ได้สักอย่างแกแล้วลำบากนี่คนส่วนใหญ่เขาหลงอยู่กับโลก เ, เอาเวลาที่ดีที่สุดเอาชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยไปอยู่กับโลกพวกเราฉลาดนะเอาเวลาที่ยังมีอยู่นี้กำลังแข็งแรงอยู่นี้มาศึกษาตัวเองมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยศึกษาธรรมะศึกษาตัวเองนั่นเงถ้าเราเข้าใจจิตใจตนเองได้นะเราจะสามารถทํางานอะไรที่ยากๆได้อีกเยอะเลย ย่งหลงพ่อสมัยทํางานเนี้ยงานวิเคราะห์ที่ยากๆคนอื่นทํานานๆเราทําแป๊บเดียวเราอ่านข้อมูลปลาดพ ล, ล, ลัดพลัดเราก็รู้เรื่องหมดละเวลาเขียนหนังสือนะก็ไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ออกไปเลยผู้ใหญ่ก็มายืนรอเซ็นนะบางทีทำให้เรากดดันเราอีกนะมายืนรอเดี๋ยวจะไปตีกรอบแล้วมารอเซ็นก่อนอะไรอย่างเงี้ย ที่ทำได้เพราะใจเรามีสติมีสมาธินะถ้าเราเอาสติเอาสมาธิไปใช้กับโลกเราจะทำงานทางโลกได้ดีคนรุ่นหลวงพ่อนะงานมันไม่ค่อยมีมากหรอกมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้งานเยอะหลากหลายสมัยหลวงพ่องานมีไม่กี่ชนิดทางานแต่เราทำงานเราโตเร็วโตวเต็มเต็มที่อย่างรวดเร็วเลยใช้เวลาแป๊บๆนะ ที่เร็วเพราะว่าสมาธิเราเยอะเราทํางานได้เร็วอย่างวิเคราะห์อะไรเงี้ยวิเคราะห์แม่นเพราะาเราไม่มีไบเอชงั้นฝึกกรรมฐานเนี่ยถ้าเราต้องการอยู่กับโลกเราก็อยู่กับโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ใช่ว่าชาวพุทธจะต้องพ่ายแพ้ในทางโลกนะแล้วสมสารเข้าวัดมาบวชไม่ใช่นะดูชาวพุทธรุ่นแรกๆที่อยู่กับพระพุทธเจ้าสิ พวกปัญญาชนแทบทั้งนั้ น, นพวกชนชั้นนําแทบทั้งนั้นเลยที่มาเป็นกําลังหลักของศาสนาพระโมคคัลลาสาริบุตรนี่ก็พวกปัญญาชนนะพวกปริพาโชคเนี่ยพวกปัญญาชนทั้งนั้นพวกปัญญวัคคีพวกพราหมณ์พวกปัญญาชนลญญชนนองไล่ดูพวกสาวกแกล่งรุงลงล่นแรกๆนะคือไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้ในทางโลกแล้วสมสารเข้าวัดไม่ใช่ ประสบความสำเร็จในทางโลกแล้วเห็นความไร้สาระของโลกนะครับเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของโลกบางคนเป็นกษัตริย์เป็นอะไรนะอยู่เป็นกษัตริย์แล้วรู้สึกว่าคนเขาแย่งตำแหน่งกันนะเป็นกษัตริย์ไม่เห็นมีความสุขเลยจะกินข้าวกลัวเขาวางยาพิษจะนอน ก, นก็นอนไม่สบายนะต้องหาคนมาล้อมไว้พอท่านมาบวชท่านบอกท่านอยู่ในป่าท่านก็นอนหลับสบาย ฉันข้าวนะบินทบาทมาได้ะไรฉันนไม่กลัวยาพิษแล้วเงินคนที่มาศึกษาธรรมะรุ่นแรกๆที่เป็นกำลังหลักเนี่ยมนชนชั้นนำปรนะะสบความสำเร็จทางโลกเต็มเต็มอิ่มแล้วแล้วก็มาศึกษาธรรมะพอเราอิ่มทางโลกเราเข้าใจโลกดีแล้วเนี่ยการปฏิบัติจะไม่ยากนักบางคนรีบไปบวชนะอายุน้อย แต่ก่อนนิยมมันยิ่งอายุน้อยไปบวช ด, ดีบางคนจะมาขอบวชจะหลวงพ่อแนละ้วไม่ให้บวชง่ายหรอกไม่้บวชง่ายถ้าประเภทเบื่อโลกหนีโลกมาบวชเนี่ยเขามาเจอปัญหาในวัดก็หนีไปอีกอะถ้าสู้โลกได้แล้วเนี่ยมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วมาบวชบวชไม่ใช่เรื่องกระจอกนะยากนะ บวชเอาเป็นเอาตายมันยากนะมันคล้ายๆเข้าสนามลบแล้วถ้าเราใจเราพร้อมแล้วเราก็มาบวชนี่เรามีความสุขมากในทางโลกความสุขอย่างโลกหลวงพ่อรู้จักนะกว่าหลวงพ่อจะบวชอายุทั้งสี่สิบปดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ไม่ใช่หนีพ่อหนีแม่มาบวชนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่หมดภาระที่จะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วถึงมาบวช มาบวชเจใจแล้วก็ห้าวหาญเราไม่มีเครื่องพลุงพลังเสียอย่างเดียวแก่กินไปอายุป่าเข้าไปสี่สิบแปแล้วบางคนคิดหน้าอายุห0จะบวชปวยการคิดนะห้าสิบใกล้ฝั่งแล้วใกล้ลงเต็มทีละมาภาวนาจะไม่ทันได้อะไรเหยาะเยะแยะแะหมดเรี่ยวหมดแรงซะก่อนยิ่งอายุน้อยๆยิ่งดีอย่างขนาดพวกเราเนียกำลังแกล่งศึกษาธรรมก่อนในเทศของคารวาสธรรมะไม่ใช่ของพระนะ ธรรมะไม่ใช่ของพระธรรมะไม่ใช่ของนักบวชธรรมะเป็นของกลางๆงใครศึกษาคนนั้นก็ได้ประโยชน์ศึกษาธรรมะเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาสามเรื่องนี้ศีลสิกษาจิตศิกษาปัญญาศิกษาเป็นฆราวาสก็ศึกษาได้เป็นฆรวาสก็ศึกษาศีลของฆราวาสศีลทําไมต้องศึกษาได้ขอจากพระเฉยๆไม่ได้หรือไม่ได้ ศีลขี้ขอศีลกระจอกงอกง่อยศีลขอทานอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะศีลจริงๆคือทํำยังไงใจเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลส ช, ชั่วหยาบครอบงำแล้วไปเกิดพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ชั่วร้ายขึ้นมาต้องศึกษาเหมือนกันเราจะมีศีลได้ดีถ้าเรามีสติสติเนี่ยจําเป็นถ้าเรามีสติเมื่อไหร่นะกิเลสเข้ามาในใจเราแว บ, บเนี่ยเราจะรู้สึกเลย เราจะละอายใจถ้าจะทําตามกิเลสแล้วเราเกรงกลัวผลของการทําชั่วเราไม่อยากทาชั่วศีลมันจะอัตโนมัติขึ้นมางั้นศีลสิกขานี่เราจะเรียนจนเกิดศีลอัตโนมัตินะเพราะเรามีสตินั่นเองจิตศิกขาเราจะเรียนเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องสมาธินะจะเรียนเรื่องจิตแต่เมื่อเรียนเรื่องจิตเต็มที่แล้วเข้าใจจิตแจ่มแจ้งแล้วเราจะได้จิตที่มีสัมมาสมาธิ จิตที่มีความตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองนะไม่ใช่เรียนจิตสิกขาคือนั่งสมาธินะมันตื้นไปจิตสิกขามีสองแนวทางจิตสิกขาของพวกสมถาียานิกที่เป็นเรื่องการทารําฌานต้องเรียนเรื่องการนั่งสมาธิการ ท, ารทําฌานทํายังไงไม่เป็นมิจฉาสมาธิส่วนใหญ่ที่พวกเราทําเป็นมิจฉาสมาธินะพวกที่ว่าฝึกสมาธิะ น, นั่งแล้วเคลมงอแงงอแงะนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ น, นี่เรื่องมิจฉาสมาธิอย่งนั้นเลย นั่งแล้วจิตเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะเป็นสัมมาสมาธิเกิดเอโกที่ภาวะภาวะที่จิตเป็นหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ขาดสติในจิตสิกขาของพวกวิปัสสนาญาณิกเนี่ยมาเรียนเรื่องจิตมาหัดสังเกตจิตสังเกตไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตตื่นขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อสอนจํานวนมากจะเป็นเรื่องนี้เพราะพวกเราส่วนใหญ่ทําสมาธิไม่เป็นฝึกยากสมาธิใช้เวลาหลายปีในการฝึก ถ้าเราเรียนจิตศิกษาแบบของพวกวิปัสสนาญาณิกคือหัดสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าจิตที่เป็นกุศลมีลักษณะอย่างไงจิตที่เป็นอกุศลมีลักษณะอย่างไรจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิพร้อมแก่การเจริญปัญญาเป็นยังไงจิตที่สงบแบบสมถะเป็นยังไงเราจะเรียนจนเราแยกลักษณะของจิตได้งั้นในขณะที่เราภาวนาไปปฏิบัติไปรู้กายรู้ใจไปเราจะพบเลย บางช่วงจิตก็พลิกเป็นสมถะบางช่วงจิตก็พลิกไปเดินวิปัสสนาบางช่วงจิตหลงไปเลยไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยมันจะรู้ตัวเองอย่างนี้นะเนี่ยจิตสิขาเรียนจนกระทั่งกเกิดจิตที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงบสะอาดสว่างขึ้นมา <S <S ถ้าเราคอยสังเกตจิตไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจิตเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาผู้เบิกบาน คนที่ภาวนากับหลวงพ่อแล้วภาวนามาถึงจุดนี้เนี่ยนับไม่ถูกแล้วนะจำนวนมากมายเยอะแยะไปหมดแล้วนั่งอยู่เฉยๆนะความสุขก็เฉยแผ่วขึ้นมาเฉยๆเพราะอะไรเพราะจิตมีสติทันทีที่มีสติจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขจิตเกิดสมนัติเวทนามีความสุขเฉยขึ้นมาบางทีก็เป็นอุเบกขาวเวทนาเป็นกลางแต่กลางแบบนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ใช่กลางแบบแข็งกระด้าง เนี่ยค่อยๆฝึกนะทําไมจิตจะเกิดสมารถสมาธิได้ก็อาศัยสตินั่นแหละใช่ไหมจะมีศีลก็อาศัยมีสตินะรู้ทันกิเลส ท, ที่ผ่านเข้ามาผ่านเข้าไปเนี่ยจะจิตไม่หลงตามกิเลสไปศีลมันเกิดเอง <นะ S 1> มีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองไปนิวรณ์ใดๆเกิดขึ้นรู้ทันมันลงไปนิวรณ์ดับสลายไปจิตเกิดสมาธิขึ้นเองนะ เสร็จแล้วพอจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยมารู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าขั้นเจริญปัญญาพวกเราหลายคนหลวงพ่อขอมีภากษิจารณ์นิดนึงนะจะใช้คําว่าตำหนิตีนมันก็น่าเกลียดพวกเราหลายคนเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแบบข้ามขั้นอยู่ๆก็ไปขอศีลมาแล้วบอกว่ามีาศีลละศีขาแล้วจริงๆจิตไม่ได้มีศีลนะมีแต่ท่องๆ่องไว้แป๊บเดียวศีลก็กระพล่องกระแกล้งแล้วรับศีลเสร็จก็ศีลก็หล่นหายไปแล้ว หรือบอกว่าจะเจริญปัญญาใช่ไหมพอรับศีลเสร็จแล้วเจริญปัญญากําหนดรูปนามไปเลยการกําหนดรูปการรู้รูปรูปรปรป้นามนะั้นเป็นขั้นเจริญปัญญาข้ามบทเรียนที่สองข้ามบทเรียนของจิตศิกขาไปบทหนึ่งนั้นจิตของเราไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะไปรู้รูปนามจริงหรอกเกือบทั้งหมดนะไม่ได้แกล้งว่านะแล้วภาวนาเป็นเราจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเป็นคนที่พูดซื่อๆนะพูดโง่ๆอย่างนี้ได้ พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้ได้ทนได้ก็ทนนะทนไม่ได้ก็ไม่ต้องมาฟังไม่ได้เชิญนะสังเกตดูจิตของเราไม่ได้มีความพร้อมอยู่ๆเราก็ไปกําหนดรูปกําหนดนามเช่นอยู่ๆก็ไปกําหนดลมหายใจไปรู้ลมหายใจเลยจิตมันไม่มีความตั้งมั่นมันจะถลําลงไปอยู่ในลมหายใจแต่ถ้าจิตมีตั้งมั่นมีสมาสมาธินะมันจะเห็นอีกอย่างหนึ่งมันจะเห็นว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นอย่างนี้ หรือเราไม่มีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเราก็ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอะไรนะจิตถลำไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งเท้ากลายเป็นสมถานะเป็นมิจฉาสมาธิไปอีกนะแต่ถ้าเราจิตรเรามีสัมมาสมาธิแล้วเวลาเดินจงกรมเราจะเห็นรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินนะเราจะเห็นรูปเคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนั่นะคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจํานวนนับไม่ถูกแล้วนะ ดูร่างกายได้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องคิดนะขยับขยื่นอยู่ปกตินี่แหละไม่ต้องแกล้งทําให้ช้าเลยจะเห็นเลยไอ้ตัวที่ยึกยึกอยู่นี่ไม่ใช่เราเลยนะไม่ใช่เราเพราะจิตของเราเนี่ยมันถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแต่ถ้าจิตเราไม่ถอดถอนตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเป็นผู้เพ่งนะไปดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าก็เพ่งเท้าดูอิริยาบถสี่เพ่งมันทั้งตัวเลยรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจ นั่นเรื่องของสมถตาทั้งหมดเลยเรื่องจิตศิกขาจําเป็นนะต้องเรียนจกกนกระทั่งจิตของเราตื่นขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นบางคนทดสอบว่าตัวเองตื่นหรือไม่ตื่นด้วยการมาขออยู่วัดบางคนไม่ได้อยากอยู่จริงนะแต่เจ้าเล่ น, นึกว่าไม่รู้ทันนะ <c oughs> ไปท้าทายกับเพื่อนมาว่าฉันจะตื่นหรื อ, อยัง <c oughs> มีธีพิสูจน์ก็คือมาขอหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออนุ ญ, ญาตให้อยู่วัดกแสดงว่าตื่นแล้ว มีนะมีเรื่อยๆแหละพอถึงเวลาจะมาอยู่จริงก็จะยกเลิกไม่กล้ามาหรอกกลัวผีกลัวทำไมผีเนาะวัดหลกงพ่อโล่งๆอย่างกลัวผีพี่อยู่ที่ไหนได้แต่เราก็นึกเอาเองนะว่าผีต้องอยู่ที่ทึบๆอะ่ะ ให้ฝึกเอานะให้ฝึกตปรู้กายรู้ใจนะตัวสำคัญมากคือสติถ้ามีสติก็มีศีลถ้ามีสติก็มีสมาธิถ้ามีสติและสมาธิจะมีปัญญาประโยช์ไม่เหมือนกันนะถ้ามีศีลถ้ามีสติจะมีศีลถ้ามีสติจะมีสัมมาสมาธิแต่ถ้ามีสติและสัมมาสมาธิจะเกิดปัญญาสัมมาสมาธิก็คือการที่จิตตั้งมั่นนั่นเอง ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราทำกรรมฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตชอบตั้งแช่เข้าไปแช่อยู่ที่ลมที่มือที่เท้าที่ท้องจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยร่างกายที่คูที่เหยียดเหลวซ้ายแหลกขวาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะะเห็นทันทีเลยไม่ใช่ตัวเรา จะเห็นเลยความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือเวทนาทั้งหลายความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปเข้ามาในกายบ้างเข้ามาในใจบ้างเราจะเห็นทันทีเลยกุศลและอกุศลเช่นโบลบโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเป็นแค่นา ม, มาทำอย่างหนึง่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเบอร์44เห็นแล้วใช่ไหมที่หลวงพ่อพูดมาเห็นทั้งหมดแล้วนี่เราสแกนนิดนึง แถวหน้านี้เห็นเกือบหมดหนะเหลืออยู่สองสามคนเห็นได้ไม่ได้ยากอะไรเบอร์สี่สิบสี่ไม่เห็นล้วหนึ่งสิบสี่หลงไปแล้วหลงไปในโลกของความคิดใจมันหนีไปเบอร์หกสิเจดขาสติละมีปิติรู้ว่ามีปิติอย่าไปฟืนมันมีปิติให้รู้ว่ามีปิติเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนางงั้นไม่ไปแกล้งมันไม่ไปดัดแปลงเราไม่ได้ฝึกเพื่อเก็บกด เราฝึกรู้ไปอย่างที่มันเป็นเรามาฝึกรู้กายมาฝึกรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะนานไปนานไปเราจะเห็นเลยมันเป็นอะไรมันเป็นรูปธรรมนามธรรมามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่มันจะเห็นนะเห็นด้วยใจมาเรียนกับหลวงพ่อฟางสติตัวจริงเกิดปั๊บเนี่ยจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเรากุศลและอกุศลไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยเหลืออันเดียวที่รู้สึกเป็นเราคือจิต อีกพวกหนึ่งเรียนมากกว่านี้หน่อยเรียนไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลยจิตที่ไม่ใช่เราแค่แต่เรามันคืออะไรไม่รู้ที่แฝงแฝงอยู่แต่แฝงอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นคุณมลดูออกไหมมันแฝงแฝงอยู่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนรู้ว่ามันมีอยู่แต่มันไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตด้วยมันเมืออะไรอยู่ที่ไหนก็นไม่รู้แต่ว่ามีอยู่เนี่ยถ้าเรียนมากกว่านี้อีกนะจะสลัดตัวนี้ทิ้งไปไม่มีอีก ถ้าโสดาปฏิมากเกิดแล้วตัวนี้จะไม่เกิดอีกเลยอัตโนมัติเลยนะจะไม่มีขึ้นมาอีกงั้นจุดตั้งต้นต้องมีสติให้ได้สติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากสั่งให้เกิดสั่งให้สติเกิดไม่ได้ถ้าสั่งสติเกิดได้นะจิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาจิตจะมีสติหรือจิตไม่มีสติเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ แต่ถ้าจิตจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นสติก็เกิดบ่อยพอสติเกิดขึ้นมาปั๊บใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูแพอใจตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นเลยกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเรากุศลที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเรานะ เห็นเองอยังกุญกบก็เห็นได้หมดทุกตัวท uh> ี่หลวงพ่อบอกนี <h <h ่แหละเห็นได้เบอร์สบอ็ดก็เห็นได้เห็นได้เยอะแยะเนี่ยสามแถวแรกนี่เห็นได้เยอะนะแถวที่สี่ด้วยเดี๋ยวเสียใจคุณเสื้อเหลืองก็ได้เดือนกันเลยเดี๋ยวจะเสียใจทำจริงได้เยอะนะได้หมอรังสรรคก็พอเห็นแล้วแต่หมอรังสรรค์ติดไอ้มิจฉาสมาธิเยอะไปนิดหนึ่งแข็งเกินไป เ <85 S 2> บอร์85ห้าก็าใช้ได้แล้วนะแต่อย่าท้อแท้อย่าซึมลงไปรู้สึกขึ้นม า, ารู้สึกไหมสายตาหลวงพ่อกวาดไปทางไหนทั้งนั้นเริ่มเกรงละ <c oughs> <c oughs> เริ่มเกรงเกรงนะคอยรู้สึกเนี่ยเบอร์61เกรงเลยเห็นไหมเราศบตากันปิ้งนะตัวแข็งขึ้นมาคล้ายๆหลวงพ่อเป็นแม่มดเมดูซ่า <c oughs> ใครมองตาแล้วตัวแข็งเบอร์68ใจลอยไปแล้ว ใจนีไปแล้วนะเบอร์39รู้สึกไหมตื่นเต้นเออเนี่ยใจมันตื่นเต้นขึ้มารู้ว่าตื่นเต้ น, ตนนะใจเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่า ง, งานั้นรู้ลงไปเรื่อยๆนะนี่เรากำลังหัดดูของจริงในตัวเองแล้วนะเบอร์หรู้สึกไหมชักเครียดไปคมมันแล้วนะเบอร์สิอใจลอยเบอร์สินึกออกไหมว่านี่เป็นเบอร์11 <laughs> มันลอยไม่เลิกเออแม่ชีดีแล้วนะแม่ชีดีใจด้วยนู่นหลานโนานานก็ดีแล้วเก่งใช้ได้แล้วนะเราใช้ได้คนนี้ยังเพ่งมากไปนิดห น, นึ่งนี่เลยเพ่งองีูแล้วแต่สังเกตไ้ยเพ่งไปอย่างนั้นะ่ะเพ่งที่เปลือบเปลือใจสบาย เนี่ยลูกเล่นการเพ่งไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะวางจิตวางน้ำหนักอะไรไม่เหมือนกันแต่ละคนเดือสามสิบแปดใจลอยไปแล้วนี่ทุบ จ, จะบวชว่าคนนี้ใช่ไหมที่ว่าจะบวชด้วยผ่าคนนี้อ๋นอนี่ใช่ว่าจะไปบวชกับท่านจันตันก็ดียังไม่พร้อมนะให้พร้อมก่อนบวชถ้าบวชไม่มีกำหนดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เลยนะกิเลสมันจะรุนแรง รุนแรงมากอย่างกิเลสตื้นๆบางตัวนะพอไปบวชแล้วมันรุนแรงกว่าความเป็นจริงอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังที่มีพระองค์หนึ่งท่านอยากฉันข้าวเหนียวตัวดําอ่ะถึงก็ร้องไห้เลยนะแค่อยากฉันข้าวเหนียวตัวดําอ่ะนันลูกศิษย์หลวงปู่สิมหลังท่านมาอยู่กับหลวงปู่เทศเจอกันแนละ้วท่านเล่าให้ฟังเป็นลูกเศรษฐีลูกคนเดียวด้วยพ่อแม่มีเงินเป็นร้อยล้าน เกิศรัทธาไปบวชบวชวันนึงอยากฉันข้าเหนียวตัวดํานะฉันไปบินธบาร์นะไม่ได้สักทีเลยวันหนึงเห็นมีข้าเหนียวตัวดําเดินไปอา้าวมาหมดที่องค์ข้างหน้าเหล่านี้อได้อีกน้านเลยเจออีกละดีใจคราวนี้ลงในบาทเลยคนใส่ข้าวเหนียวตัวดําเข้าบาทมาละดีใจนะกลับมาถึงวดัดธรรมดาวัดป่าเนี่ยเทอาหารรวมกัน โอ้ต้องเทเข้าเหนียวถั่วดํา อ, อกไปนะพอถึงเวลายกอย่างที่พวกเราเห็นหลวงพ่อทําอย่างเนี้ยปลาหัวแถวท่านก็หยิบก่อนท่านคงอยากฉันเวมือนกันน่ะใช่ไหมโอ้วันนั้นนะขนาดข้าวเหนียวถั่วดําลงบาดแล้วยังไม่ได้ฉันเลยกลังคืนร้องไห้เลยนะสงสารตัวเองนะว่าโอ้เราเป็นลูกเศรษฐีนะทําไมข้าวเหนียวตอนนั้นห่อละสามบาททนะําไมอยากฉันเท่านิดไม่ได้ฉัน นั่งนอนร้องไห้กิเลส ท, ที่ธรรมดาธรรมดาของคารวาสนะพอเป็นพระแล้วมันรุนแรงนะกระทั่งเรื่องกามนะอย่านึกว่าง่ายๆนะหนุ่มๆอย่างเงี้ยมันจะปางตายเลยแทบจะเอาหัวชนฝากุติเลย <c oughs> อย่างเป็นคารวาสใช่ไหมแล้วงดเว้นกามสามวันเจ็ดวันเลยไม่ตายหรอกรู้สึกหมูไม่น่ากลัว พอบวชปั๊บนะรู้สึกว่าจะต้องอดทั้งชีวิตสิไม่ใช่เล่นแล้วนะงั้นบวชไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะบวชถ้าจะบวชตามประเพณีบวชช่วครั้งชั่วคราวเนี่ยไม่รุนแรงอะกิเลสแต่ประเภทบวชเอาจริงเอาจังนะรุนแรงมากเลยมันต้องต่อสู้กับตัวเองอย่างแข็งแกร่งถ้าภาวนาไม่เป็นนะภาวนาไม่เป็นเนี่ยลาบากที่สุดเลยน่าสงสารมากเลย แต่ถ้าภาวนาเป็นเนี่ยการบวชนี่ดีที่สุดเลยไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าเราภาวนาเป็นแล้วการบวชนะั่นคือการที่เราวางภาระเรื่องอื่นๆลงไปต่อไปนี้งานหลักของเราเหลืออยู่อันเดียวคือการศึกษาตัวเองนี่ถ้าเราพร้อมแล้วนะเรามาศึกษาตัวเองมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจด้วยสติด้วยสัมมาสมาธิคือด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมาดูกายมาดูใจไปเห็นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรา เมื่อกายมันไม่ใช่ตัวเราแล้วใครจะเป็นผู้ทุกข์ใครทุกข์ก็ช่างมันประไร่ไม่ใช่เราทุกข์ละความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจละเระฉะนั้นภาวนาถึงจุดที่ปล่อยวางความยึดถือจิตเนี่ยโอ้โหอัศาจรรย์นะเหมือนโลกจะถล่มเลยจิตใจเราพลิกไปเหมือนโลกนี้เปลี่ยนแปลงถลักใจนั้นไม่มีเหมือนเดิมอีกละมีแต่ความสุขล้วนๆเลคราวนี้มีความสุขมีความสงบล้วนๆเลย ความสุขในโลกที่เคยรู้จักนะเป็นความสุขที่ตื้นตืเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นๆเป็นความสุขที่ต้องเป็นทาสเขานั่นแหละอย่างเรามีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้แล้วเรากลัวที่จะสูญเสียคนคนนี้ไปเราก็ต้องเป็นทาสเขานะต้องคอยเอาใจเขาหมดอิสระภาพนะ พวกหนุ่มๆทั้งหลายนะจะแต่งงานก็คิดหน้าคิดหลังไปสัมภาษณ์พวกที่แต่งแล้วนะสาวๆก็เหมือนกันแหละสาวๆก็อย่างโง่นะคิดว่าแต่งงานแล้วจะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้ผู้หญิงก็ชอบคิดเพ้อฝันเห็นนิสัยที่ไม่ดีของแฟนนะรู้ว่านนี้ใส่ไม่ดีเรื่องนี้เรื่องนี้นกลาว่าเดี๋ยวแต่งด้วยกันแล้วจะไปเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนไม่ได้หรอกนี่เป็นความหวังที่เข้าใจผิดแผู้ชายไม่เปลี่ยนหรอก นี่ใส่แย่ยังไงก็แย่อย่างนั้นแหะส่วนผู้ชายก็หวังนะว่าแต่งกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนนี่หวังกลับข้างกันนะแล้วก็จะพบว่าผู้หญิงมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยความหวังความสุขที่อยู่กับคนอื่นไม่สมหวังง่ายหรอกนะความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งอื่น ความสุขจากความสงบสงัดของจิตที่ปราศจากกิเลสเนี่ยมีความสุขจริงๆเลยไม่ต้องพึ่งพาอะไรนะมีข้าวฉันก็มีความสุขนะไม่มีฉันก็มีความสุขแบบคนหิวๆอะ่ะมันก็มีความสุขของมันอยู่อย่างนั้นแหละมีความสุขอยู่ได้ทั้งวันมีความสุขอยู่ได้ทั้งคืนมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆนะศา ส, สนาพุทธนะถ้าเราเรียนจนเราเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองนะปล่อยวางความยึดถือจิตได้นะ อัศจรรย์อัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงคาดหวังไม่ถึง<ม>หลวงปูส่สวัสดิ์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกมันสุขจริงๆนะเราบวชมาเรานึกไม่ถึงเลยว่าจะเจอความสุขชนิดนี้<ม>ความสุขจากฌานสมาบัติอะไรมันก็มีนะ<ม>แต่ความสุขจากความไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจตัวเองเนี่อัศจรรย์ที่สุดเลย มันหมดภาระทุกวันนี้เรามีภาระมากเลยเพราะว่าเรารักกายรักใจสังเกตดูแค่รักกายเราก็เหนื่อยแทบตายแล้วนะตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยปรนนิบัติมันเท่าไหร่วันหนึ่งเห็น ไ, ไหมดูซิมีผลิตพันอะไรที่เกี่ยวกับเส้นผมบ้าง ม, มีผลิตพันอะไรเกี่ยวกับหนังศีรษะบ้างเห็น ไ, ไหมเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับขนคิ้วขนตาเห็น ไ, ไหมมีผลิตภันเยอะแยะเห็น ไ, ไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าดูซิจนถึงครีมส้นเท้าแตก ทำไงเล็บเท้าจะสวยนะโอ้ต้องโอบมันมากเลยนะต้องดูแลประกบประงมมากเลยทำไมต้องไปโอต้องเอาใจร่างกายนี้มากเพราะเรารักมันเพราะเรารักมันมากเลยทำงานเหนื่อยแทบตายเลยเปลินเปลิมันนะดูแลมันอย่างดีเลยแล้วมันทรยศนะเลี้ยงอย่างดีเลยถึงวันหนึง่งมันตายทิ้งเฉยๆอย่นั่นแหละเลี้ยงมันทำไมเดี๋ยวมันก็ทิ้งเราไปแล้ว แค่ดูแลมันเอาไว้ใช้งานเนี่ยต้องฉลาดนะไม่ใช่ไม่ดูแลดูแลไว้ทําประโยชน์สําหรับตัวเองดูแลไว้ทําประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายแต่ไม่ใช่ทอดทิง้งแต่ไม่ใช่ตกเป็นทาสมันนะจิตใจเราเราก็เป็นทาสมนันเห็นไหมเราดิ้นรนหาความสุขมาตอบสนองความต้องการของใจแทบตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากดู เรคิดว่าถ้าได้ดูแล้วมีความสุขเดี๋ยวก็อยากฟังนะได้ยินเสียงคนนี้แล้วจะมีความสุขหรือไปดูหนังไปฟังเพลงแล้วจะมีความสุขอยากให้จิตใจมีความสุข ท, นนทําน่นทํานี่หวังว่าจะมีความสุขมันมีความสุขแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมันอยากอีกแล้วมันอยากอีกแล้วก็ต้องวิ่งหาอารมณ์มาตอบสนองมันอีกตอบสนองไม่ได้ก็กลุ้มใจตอบสนองได้มีความสุขอยู่แวบเดียวนะมันก็สั่งงานชิ้นใหม่ให้อยากอย่างอื่นต่อไปอีกแล้ว เนื้อชีวิตนะวิ่งพลาดพลาดไปหาความสุขนะเหมือนจะได้แต่ไม่เคยได้ได้มาแล้วก็หลุดมือไปอย่างรวดเร็วเลยพวกเราที่อายุมากๆหน่อยนะลองนึกถึงสมัยก่อนก่อนตอนเราเด็กๆเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบเราจะมีความสุขเรเรียนหนังสือจบแล้วเราเป็นอิสระละลไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่แล้วสบายใจละถ้าเรียนหนังสือจบจะมีความสุข อพอจบปริญญาตรีแล้วคิดอีกแล้วนะถ้าได้โทรได้ด็อกเตอร์ด้วยจะมีความสุขอีกแล้วหลวงพ่อไม่เห็นด็อกเตอร์จะมีความสุขเลยนะในห้องนี้ก็ด็อกเตอร์เยอะแยะน ะ, อะพอเรียนหนังสือได้พอใจแล้วมีปวา ม, มันก็ไม่ได้มีความสุขจริงก็ไปทํางานมีงานทํางานดีๆทําแล้วทงจะมีความสุขมีตําแหน่งใหญ่ๆมีเงินเยอะๆจะมีความสุขเสร็จแล้วมันยังไม่สุขจริงนะมันต้องหาเมีย อ, อ, อีก ถ้ามีเมียสักคนหนึ่งก็มีความสุขเลยพอได้มาหนึ่งคนนะถ้ามีสองคนจะสุขกว่านี้อีกอ่มันจะไปอย่างนี้อีกนะมันจะมีแต่คำว่าถ้าถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขลองนึกดูสิเราเป็นอย่างนั้นั้มเราวิ่งหาความสุขทั้งชีวิตเลยพอมีครอบครัวแล้วถ้าเรามีลูกไร้ๆจะมีความสุขมีลูกว่านอนสอนง่ายจะมีความสุข ลูกว่านอนสอนง่ายนะหายากลูกแบบวานอนหาง่ายนะแบบวานอนสอนยากหาง่ายเห็นไหมความสุขของเราไปอิงกับลูกเอะ ล, ลูกต้องอย่างนี้เราถึงจะสุขถ้าลูกไม่ได้อย่างนี้เราไม่สุขอีแล่ะทีแรกก็อิงกับสามีพัญญาเราอิงกับชื่อเสียงอิงกับตำแหน่งอิงกับผลประโยชน์ถ้าได้มาแล้วจะสุขถ้าได้มาแล้วจะสุขเสร็จแล้วมันไม่มี แก่มากขึ้นนะมันปวดมันเมื่อนะเดินไม่ดีก็เครียดนะนั่งนานๆยังเครียดได้เลยเครียดขัดยอกนะก็จะรู้สึกอีกวันไหนไม่ปวดไม่เมื่อนะจะมีความสุขรับ ล, ลองไปดูตามโรงพยาบาลพวกเจ็บหนักๆอะ่ะพวกที่เจ็บทรมานมากๆนะหลวงพ่อเคยเห็นเขย่าลุกลงเตียงเลยเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยทรมานเหลือเกินตายแล้วจะได้มีความสุขไหมถ้าตายแล้วจะมีความสุข นี่จนถึงตายแล้วนะมันยังหาความสุขไม่ได้เลยมันจะตะกายแกลกแๆหาความสุขไปเรื่อยๆตลอดชีวิตไม่เคยยั้งคิดเลยเราดูคนอื่นสิมันมีความสุข ท, ที่ไหนพ่อแม่เรามีความสุขจริงไหมลองดูปู่ย่าตายายมีความสุขจริงไหมหายไปไหนหมดแล้วในความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกเนี่ น, น่า nonsense จริงๆ ไม่เหมือนการภาวนานะเรามารู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นความจริงของกายของใจแล้วไม่ใช่ตัวเราได้โสดาบันมีความสุขบ้างแล้วชักจะมีความสุขนิดหน่อยมีความสุขที่เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมามั่นอกมั่นใจว่าชีวิตในอนาคตจะต้องดีขึ้นแน่นอนไม่ใช่รุ่มรุ่มดอนดอนเหมือนตอนท่องเที่ยวในสังสารวัตชีวิตเราอยู่ในโลก บางช่วงก็จเจริญบางช่วงก็เสื่อมใช่ไหมบางช่วงก็สุขบางช่วงก็ทุกข์อะไรเงี้ยแต่พอเราได้โสดาบันเนี่ยนะมันจะมีความมั่นใจอย่างนี้นชีวิตในอนาคตจะดีกว่านี้แน่ๆมันจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจมั่นอกมั่นใจขึ้นมาเราภาวนาต่อไปอีกนะเราจะเห็นความจริงของกายได้ชัดเจนกายดูง่ายจะเห็นเลยกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกขนะ์ยืนอยู่ก็ทุกข์ หายใจเข้าก็มีความทุกข์หายใจออกก็มีความทุกข์ใครว่าหายใจเข้าไม่ทุกข์ลองทดสอบลงนะลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆซิทุกข์ไหมลองหายใจไปเอาให้หายใจเข้าสามนาทีนะโอยเลยเห็นไหมไม่ได้มันทุกข์เห็นหมหายใจเข้านะแล้วมันทุกข์นะเราก็ต้องหายใจออกเอาให้หายใจออกอีกสามนาทีไม่ได้เห็นไหมพอหายใจออกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้า นี่เราเคยเห็นไหมว่าความทุกข์มันตามบีบคั้นเราอยู่ทุกๆกลมหายใจเข้าออกเราไม่เคยเห็นนะเรามัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินไปเราคิดว่าร่างกายของเราแข็งแรงไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เลยนั่งนานๆก็เมื่อยนะปวดเมื่อยทรมานนั่งเก้าอี้ตัวละแสนก็เมื่อยนะไม่ใช่ไม่เมื่อยนั้นจริงๆเนี่ยพอเราเห็นแจม่มแจง้งร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตจะหมดความรักในกายนี้หมดความยึดถือในกายนี้ คนที่หมดความยึดถือในกายนี่คือทรงภูมิธรรมของพระอนาคามีพระอนาคามีจะไม่ยึดกายแล้วเพราะงั้นจะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายด้วยะงั้นเมื่อเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายนีย่จิตจะไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายงั้นไม่มีกามาราคะและปฏิฆะ กรารมาราคะคือความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปฏิฆาคือความขัดเคืองไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยถ้าเราแจมแจ้งในกายนะกามและปฏิฆาก็ขาดมีความสุขมากเลยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นจิตจะตั้งมั่นนะไม่ใช่ว่าปล่อยวางจิตนะคนละเรื่องกัน จิตจะทรงตัวเด่นอยู่ยงั้นแหะสว่างสวมีความสุขกับเระนการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความสุขอยู่ส่วนใหญ่พอมาถึงตรงนี้ไปไม่รอดละมันสบายแล้วก็จะตายลงไปเข้าไปอยู่ในพลอมมรรคไปเป็นพลอมไปภาวนาต่อในนั้นแต่คนไหนถ้าเคยฟังธทำที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาว่าตรงนี้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วเป็นคนที่ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจ ว่าอยู่กับผู้รู้แล้วปลอดภัยแล้วอยู่กับจิตผู้รู้ปลอดภัยแล้วก็จะมาเรียนรู้จิตผู้รู้ต่อไปอีกจนกระทั่งเห็นความจริงตัวจิตผู้รู้ที่เราว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบผู้สะอาดผู้สว่างนั้นเอาเข้าจริงก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เห็นยากที่สุดเลยถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้านะไม่เห็นถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นพระอรหันต์แล้ว เพอาดูไปเรื่อยๆนะจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นเด่นดวงมีแต่ความสุขล้วนๆเนี่ยปัญญาพอนะมันพลิกตัวให้ดูกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆทีแรกทุกข์น้อยๆนะทุกข์น้อยๆสติไปะระลึกรู้โอ้ยสบายมากทุกข์เยอะวันนี้ดูยังขาดสะบั้นเลยอ้าวคราวนี้ไม่ขาดแฮะกับแรงขึ้นแรงขึ้นมีทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะทุกข์จนกระทั่งเหมือนจะร่างกายนี้จะแตกสลายเลย เหมือนจิตใจจะระเบิดเลยความทุกข์สุดขีดจนกระทั่งใจมันแจ่มแจ้งขึ้นมาขันห้านี้ทุกล้วนๆ น, นี่จะยังลงตรงไหนมีแต่ทุกล้วนๆเลยใจมันแจ่มแจ้งตรงนี้เรียกว่ามีวิชาล้างอาวิชาได้อาวิชาคือการไม่เห็นความจริงของขันห้านี้แหละคิดว่าขันห้านี้สุขบ้างทุกบ้างพอเกิดวิชาร้างเอาวิชามันจะเห็นเลยขันห้านี้ทุกล้วนๆ น, นะ อย่างลงตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเลยจิตเห็นตรงนี้นะจิตจะติ้นโดนสุดขีดเลยเพื่อจะหนีมันให้ได้เสร็จแล้วหนีไม่ได้นะหนีไม่ได้จนตรอกตอนนี้ถ้าจะถอยออกมานะทิ้งเลยการภาวนานะก็จะมีชีวิตอยู่กับโลกได้แต่ว่าก็จะตกเป็นทาตของมานไปเรื่อยๆ ถ้าสู้ตายตอนนี้นะอินทรีย์เราแก่กร้าวพอมันจะสู้ตายตายเป็นตายเลยนะจะตามรู้ตามดูจิตด้วยจิตใจที่เป็นกลางเลยนะไม่ดิ้นรนเลยหมดการดิ้นรนของจิตนิดนึงก็ไม่มีเมื่อจิตหมดความดิ้นรนนะทั้งๆที่เผ ช, ชิญความทุกข์อันมหาศาลจิตไม่ดิ้นสักนิดเลยจิตไม่ปรุงแต่งนะยความปรุงแต่งขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยสังสา ร, ร, รวัตรก็คว่ำลงตรงนั้นเลย ถัดจากนั้นเราจะมีชีวิตเมื่อก่อนนี้ดังตรินเขาเขียนอะไรมีชีวิตที่คิดไม่ถึงนั่นแหละเราจะมีชีวิตที่คิดไม่ถึงแต่คนละแบบกันนะ <c oughs> คนละแบบกันในหนังสือนะ <c oughs> มันจะมีชีวิตที่คิดไม่ถึงเลยมีชีวิตเหมือนไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างเหมือนกับไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรมันจะเปลี่ยนไปหมดนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเวลาที่เรามองโลก มองคนอื่นมองสัตว์อื่นมองทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเห็นมันราบไปหมดเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์แล้วไม่ได้แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาด้วยเราจะเห็นแต่ธรรมชาติทั้งหมดเนี้ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดในขณะที่พวกเราถ้ายังภาวนาไม่ถึงจุดที่ปล่อยวางจิตได้เราจะรู้สึกเป็นสองคือมีเราอยู่ตรงนี้เห็นไมีคนอื่นมีสิ่งอื่นอยู่ตรงนี้ แต่ภาวนาจนถึงจุดที่ปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วเนะี่ยมีอันเดียวรวดเลยสภาพทั้งหลายเป็นธรรมทั้งหลายนะมีเพียงหนึ่งเดียวรวดเลยทำฝ่ายปรุงแต่งก็มีอันเดียวรวดนี่เองคือว่างเปล่าอยู่อย่างนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาด้วยจิตใจนะมีแต่ความโปร่งความโล่งความเบา มันเป็นความตื่นซึ่งไม่เหมือนที่เคยตื่นเป็นความตื่นที่ไม่หลับของเราที่ผ่านมาหลับหลับตื่นตื่นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไปเรื่อยเืย mm hmm. เวลาดูเข้ามาที่จิตที่ใจตัวเอง mm hmm. ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรภายในภายนอกไม่มีมีแต่หนึ่งนะยังมีภายในภายนอกยังไม่ใช่ของจริงนะหลายคนภาวนานะแล้วนึกว่าเป็นพระอรหันนะ มาให้หลวงพ่อฆ่าเรื่อยๆฆาตกรรมพระอรหันต์ไปเยอะแล้วตรงนี้มนิ่งอยู่นะข้างในนี่นิ่งคงที่อยู่อย่างนี้เลยเป็นปีๆก็นิ่งอยู่อย่างเงี้ยเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์หมดเลยนิ่งอยู่ตัวหนึ่งหลวงพ่อพาให้ดูรู้สึกไหมมีตัวอะไรที่คงที่อยู่ตัวหนึ่งยึดไอ้ตัวนี้ไวนะ้เนยไม่เห็นยังเป็นสองอยู่นะยังเป็นสองอยู่ไม่ใช่ของจริงนะของจริงเป็นหนึ่งไม่ใช่ของจริงเป็นสอง สิ่งใดที่ยังเข้าคู่ได้ยังเป็นสองอยู่ไม่ใช่ของจริงหรอกยังเป็นของเสื่อมงั้นเราภาวนาจยกระทั่งแหมเหมือนกับมีตัวหนึ่งนิ่งดีตลอดเลยไม่เคยมีกิเลสแทร่ผ่านมาเลยนะเห็นแต่กิเลสอยู่ข้างนอกนอกเห็นแต่ความปรุงแต่งอยู่นอกๆ น, กนี่สิ่งที่พ้นความปรุงแต่งอยู่นี่ความปรุงแต่งอยู่นี่ไม่ใช่ของจริงนะโดนกิเลสหลอกอยู่ ถ้าวันใดปล่อยตัวนี้ทิ้งได้เนี่ยไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในไม่มีธรรมที่เป็นคู่คู่จนถึงจะเป็นของจริงๆนะจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยอันนี้ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเพราะไม่มีที่จะกระเพิ่มเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจกับโลกข้างนอกนี้เป็นอันหนึ่งอนเดียวกันเลยจิตใจกับโลกทั้งหมดเลยจั ก, กรวาลทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอนเดียวกัน ในขณะที่ก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าจิตของเราเป็นจุดเป็นดวงมีอะไรอยู่ขอบเขตอยู่รู้สึกไหมพวกที่ภาวนารู้สึกไ้มจิตเรามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งอยู่จนถึงจุดที่เราปล่อยวางจิตแล้วจิตไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งมันใหญ่เต็มโลกเต็มจักรวาลเป็นมหกะตะใหญ่เป็นอนุตตระไม่มีอะไรยิ่งกว่า เนมหาคติใหญ่กว้างขวา ง, วางไรขอบไรเขตเพราะงั้นเวลาที่เราจะรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยนะมันจะไม่มีจิตที่วิ่งไปรู้นะพวกเราภาวนารู้สึกไหมจิตเราวิ่งไปวิ่งมาทำไมต้องวิ่งเพราะจิตมันอยู่นี่มันก็เลยต้องวิ่งไปโน้นแต่ถึงจุดที่จิตมันเต็มไปหมดแล้วมันจะวิ่งไปไหนอ่ะมันนึกถึงอะไรมันก็สัมผัสต ร, ตรงนั้นเลย มันไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดด้วยนะมไม่มีการไปไม่มีการมามงินธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นศาสตร์ที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยนะสามารถมีชีวิตอย่างคิดไม่ถึงจริงๆมีชีวิตที่คิดไม่ถึงจริงๆอยู่ในโลกความสุขของโลกโลกที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดวิเศษที่สุดลองดูลองทบทวนดูนะ หลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะลองนึกดูซติตอนอยู่ในโลกอะไอ้ที่ว่ามีความสุขที่สุดมันตอนไหนลองนึกแทบตายนึกไม่ค่อยจะออกนะว่ามันมีความสุขตรงไหนรู้สึกแต่ว่าถึงมันมีความสุขจริงมันก็ผ่านไปแล้วดูแลเหมือนภาพหลวงตาเหมือนเราฝันไปชั่วครั้งชั่วคราวอย่างี้แต่จิตที่เข้าถึงทำแล้วนะมีแต่ความสุขนะมันเทียบกันไม่ได้เลยมีความสุขอยู่ในตัวเราเอง แต่แล้วความสุขนี่มันก็ล้นออกมานะใครเข้าใกล้ๆก็มีความสุขไปด้วยแค่ <c oughs> ใกล้ๆก็มีความสุขใครรู้สึกไม่บางคนเราเข้าใกล้เรามีความทุกข์บางคนอะเราเข้าไปใกล้ๆเราอึดอัดเลยเพราะจิตใจเขายังมีโทษมีภัยอยู่นั้นเราภาวนาตัวเองก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดสุดท้ายนี่มีบรมสุข ดังนถึงบอกนิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นบรรมสุขไม่ใช่นิพพานว่างเปล่านะแห้งแล้งกันดานไม่ใช่นะนิพพานังปรามังสุขขังมีความสุขที่สุดเลยแค่เราหัดภาวนาเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับอยู่แล้วอย่างคนไม่เคยมีสติพอสติเกิดจะมีความสุขนะคนที่ไม่มีสัมมาสมาธิพอสัมมาสมาธิเกิดจะมีความสุข คนที่ไม่เคยรู้ความจริงของรูปนามกายใจพอรู้ความจริงมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขอีกคนที่ไม่เคยเข้าถึงวิมุตติความปล่อยวางความหลุดพน้นแล้วพอปล่อยได้ก็จะรู้สึกถึงความสุขอีกมันมีความสุขเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปนะความสุขมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์ห่างหายไปมากขึ้นมากขึ้นเรียนรู้ทุกเรียนรู้ทุกแล้วมันก็ได้ความสุขมากขึ้นมากขึ้น ปล่อยวางทุกข์ได้ทุกข์คือกายกับใจที่มีความสุขที่สุดเลยเป็นศาสตร์หนึ่งนะเป็นศาสตร์ศาสตร์ที่มีบอกว่าวัตถุประสงค์ของศาสตร์นี้คืออะไรวัตถุประสงค์ของศาสตร์นี้คือความพ้นทุกข์บอกวิธีการที่จะพ้นทุกข์ให้รู้กายให้รู้ใจโดยการมีสติรู้กายรู้ใจรู้สภาวะธรรมที่กําลังปรากฏมีสัมมาสมาธิคือใจนั้นตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น ไม่ถลำลงไปรู้ไม่ถลำไปเห็นมันเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพอมีปัญญาแล้วถึงจะปล่อยวางได้เพราะรู้แล้วว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนั้นการที่เราเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ถ้าเรายังเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะปล่อยไม่ได้แต่เราจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆ พอปัญญาจแจมแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจแล้วเรากลับไปพบความสุขที่อัศจรรย์ที่สุดนะมันเต็มเปี่ยมเลยนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเป็นเรื่องแปลกจริงๆคนในโลกต้องการความสุขนะวิธีต้องการความสุขวิธีการของเขาก็คือวิ่งหนีความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วิ่งหนีความทุกข์พระพเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ทุกอยู่ที่กายรู้ในกายทุกอยู่ที่ใจรู้ในใจ วันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกลับมีความสุขแตกนะกลับข้างกับโลกเขาโลกเขามีแต่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่อยากพบไม่อยากเห็นทุกข์พระเจ้บอกให้รู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนรู้มันเข้าไปเลยไปเรียนรู้ความจริงของมันผลที่ได้ก็ต่างกันพวกที่วิ่งหนีทุกข์ก็คือหนีไปทั้งชาติแหละวิ่งหาความสุขก็ขหาไปทั้งชาตนะิจนชาตินี้ก็ไม่พอหานะอย่างที่เล่าให้ฟังคิดว่าตายแล้วคงจะพ้นทุกข์หรือ แต่คนที่รู้ทุกเนี่ยสิกับพ้นทุกได้พ้นจริงๆนะพ้นจริงๆเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยฝืนความรู้สึกโดยความรู้สึกของคนทั่วไปถ้าไม่เห็นทุกได้จะดีเพราะฉะนั้นคนในโลกชอบหนีพอมีความทุกข์ก็หนีความจริงไปกินเหล้ากินยาให้ลืมลืมมันไปซะหรือหลอกตัวเองไปไหว้เทวดา พระอินทพระพรหมไหว้จตุคามรา ม, มาเทพหวังว่าจะพ้นทุกข์เหรอมันทุกข์ตั้งแต่หาเงินไปซื้อแล้ว <c oughs> มนุษย์สร้างเทวดานะศาสนาพุทธสอนให้เราพึ่งตัวเองให้ช่วยตัวเองไม่ใช่ให้พึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองด้วยการเรียนรู้ตัวเองจนเห็นความจริงของตัวเอง อ่ะมีใครจะคุยได้อีกสักสิบห้านาทีเอาใครจะถามยกมือเอา้าจูนว่าไปอย่าถามนะวันเกิดจะทำอะไรดีอา้าวว่าไงก็สัปดาห์นี้ค่ะจูนก็เห็นว่าตอนที่ ร, ร, นนรู้แบบรู้เบื่อๆค่ะมันเหมือนมีอะไรที่รู้ที่เรารู้บื่อๆทีรู้แบบอะไรนะรู้แบแบที่ไม่มีปัญญาค่ะรู้แบบแบบไม่มีแรงอะค่ะเวลาที่รู้แบบไม่มีแรงเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรที่รู้แบบรู้ตัวนั้นอีกทีอะเออนี่ยแหละมันมันไม่ได้เข้าไปคลุกว่าเราเป็นเป็นหนึ่งที่รู้ตัวนั้นเออดีแล้วมันก็เลยเห็นความแตกต่างมันก็เลยเห็นความแตกต่างแล้วก็มีกําลังขึ้นก็มีแรงขึ้นมาก็ดีแล้วนะภาวนา ย่าแย่มาสองสามอาทิตย์แล้วค่ะนี่หลวงพ่อคะทีนี้จุนสังเกตเห็นว่าเวลาที่สติเกิดเองเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเขาเกิดขึ้นมาเองเนี่ยเราแต่ว่าในเวลาที่เราตื่นขึ้นมาก็คือมันจงใจเข้าไปทําเข้าไปดูเลยเนี่ยแล้วเราก็ดูไปอย่างนี้แต่ว่าถึงแม้จะจงใจทําเนี่ยมันก็ไม่เกิดสติเกิดเองเใช่ไหมฮะแต่ว่าอาศัยจงใจไปก่อนเบื้องต้น ถ้าจงใจจงใจไปพักหนึ่งนะแล้วมันเลิกจงใจอัตโนมัติมันลืมจงใจอ ะ, ะแล้วตรงนั้นมันมันเกิดแต่ตอนที่สติมันเกิดเองบางทีเวลาที่เรากําลังคุยหรืออะไรอย่างเงี้ย ม, มันก็มีสติเกิดขึ้นมาเองแล้วแล้วไปแค่นี้มันก็พอแล้วใช่ไหมคะแต่ทุกวันต้องซ้อมดูน ะ, ะไม่ใช่เอาแค่นี้มากน้อยสันโดษนะอย่างนี้เรียกขี้เกียจทุกวันต้องซ้อมซ้อมดูสภาวะมีจนเห็นตรงที่ จิตมันเบลอลงผวังอะคะ่ะอ mm ื hmm. ตรงนั้นแล้วพอรล้ตัวเข้าไปเนี่ย mm hmm. มันมี ม, นมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีความบีบเค้นสันสะเทือน mm hmm. ดูไปอันนี้ไม่ผิดปกติใช่ไหมไมนะ่ผิดอะถูกต้องอะดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะค ะ, ะจิตมันขึ้นวิถีนะขึ้นมารับอารมณ์เสร็จแล้วก็เบลอเแล้วก็ลงพผวางังเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่มันมีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่าจิตตะกีเป็นอย่างนี้ ขึ้นมาใหม่แล้วเกิดเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสติก็ไปรู้จิตดวงที่ดับไปมันเห็นว่เอ้มันเกิดแล้วก็ดับเสร็จแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมาเห็น้จิตตัวที่ไปรู้เขาที่แรกนะก็วันไหวสั่นสะเทือนเกิดดับเหมือนกันก็ดีแล้วดูไปเล่นๆอย่าคิดมากนะอย่าค้นกว้านะ คิดมากยากนานรีบมาถามก่อนแล้วจบตรงนั้นไปเลยแล้วก็ทีหลังดูไปอย่างเดียวรู้ลูกเดียวอาจารย์สุรวัตรก็สอนแต่รู้ลูกเดียวเลยถ้าใครจะยกมือคนต่อไปนู่นคนนั้นยกไวกว่าเห็นนะเบอร์ห้าเก้าเนี่ยอันดับสองมาเรียนที่นี่ต่อไปไปเป็นสอสอสบายยกไวยกไว้ <c oughs> ก, ไวก่อนนะยังนึกไม่ออกจะพูดเรื่องอะไรเลย กมือนจะมาบอกว่าภามนาไม่ดีมาเป็นเดือนแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วทำไงล่ะก็เหมือนอาจจะขี้เกียจด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะงขเกียจไม่ใจเราไม่ชอบมันใช่นั่นแหละดูลงตี้ไม่ชอบนั่นแหละนะรู้รู้ตัวที่กำลังผลักดันแล้วอ่ะค่ะอ่ะเบอร์ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านะแล้วค่อยไปหกสิบสอง เริ่มปฏิบัติแนวของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าทําถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกสติไม่ค่อยเกิด น, นะคะใจมันทื่อๆรู้สึกไหมตอนเนี้ย<ะ>ใจมันยังทื่อๆนิ่งๆอยู่ยังขมไว้นะขณะเนี้ยรู้สึกเปล่าหรือรู้สึกว่ารู้ตัวแล้วตอนเนี้พ่อหลวงพ่อทักก็เริ่มรู้ตัวค่ะอ <c oughs> รู้แล้วใช่ไหมไปกดไว้ค่ะ เ, <อ>เป็นเป็นอย่างเนี้บ่อยอะคะ่ะเอออย่าไปกดมัน เราภาวนาไม่ใช่ฝึกเก็บกดเราฝึกรู้กายฝึกรู้ใจไม่ใช่ไปกดให้นิ่งไปออกแรงกดนะ่ะคือพอทุกครั้งที่รู้สึกตัวก็จะเป็นอย่างนี้ทันทีเออมันเคยชินมันทำสามแบบอันหนึ่งเผลอไปอันที่สองรู้ว่าเผลออันที่สามเลยกดเอาไว้มันสุดตรงสองข้างนึงเผลอไปกับกดไว้ตรงที่มันเผลอเรารู้ว่าเผลอตรงนี้คือรู้ หลังจากนั้นเรากลัวจะเผลอครั้งใหม่เราก็เลยไปกดเอาไว้แล้วทํายังไงถึงจะหายขมนะคะอย่า ก, กลัวเผลออย่า ก, กลัวเผลอเออเผลอบ่อยๆ <c oughs> งงไหมเ <c oughs> นี่ยงงแล้วทําไมไม่ดูว่างงเห็นไหมเอองงก็รู้ว่างงสิหลวงพ่อไม่ได้พูดเล่นๆเลยนะสิ่งที่พูดที่พูดแบบซื่อๆเลยนะ <c oughs> พูดถึงสภาวะลว้วนๆเลยเผลอบ่อยๆ หรือใยๆดีกว่าเผลอนานคนในโลกนี้เผลอนานนะเผลอวันละครั้งเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับนักปฏิบัตินะเผลอแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกเนี่ยใจไหลไปแล้วรู้สึกไหมใจไหลไปแล้วก็รู้เนี่ยพอรู้แล้วก็กดรู้สึกไหมออให้รู้ทันว่าไปเพ่งใส่มันให้รู้ทันไปเรื่อยๆ ใ, ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเอายังไปคิดอีกแทนที่จะรู้เอา มากรับโยะวะมากกัใครครั้งนี้มามาคนเดียวค่ะมาคนเดียวเหรออยู่ที่ไหนเออมากับห้องสมุดธรรมะค่ะห้องสมุดบ้านอาลีอ๋องั้นไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตก่อนไปอ <c oughs> าจารย์สุรวัตร่าเก่งนะ <c oughs> ใจมันยังเรายังกวดอยู่เราไม่ได้รู้แต่เรายังข่มไว้ตัวรู้<ถ>ตัวรู้ยังไม่เกิดเออ อย่าตกใจนะพวกที่เกิดแล้วเกิดแล้วก็หายไปได้นะ <c oughs> อย่าประมาท <c oughs> อย่างจูนเนี่ยหายไปตั้งสามอาทิตย์แต่นูเหมือนไม่เคยเกิดเลยอย่า ก, กังวลสิกังวลให้รู้ว่ากังวลหัดรู้สภาวะลงปัจจุบันถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะลงปัจจุบันปั๊บก็ตื่นขึ้นมาในขณะนั้นเลยแล้วก็หลับใหม่เนี่ยตอนนี้ใจหนีเข้าไปกวานหามันแล้วรู้สึกไหม ส่ใจเข้าไปหาใหญ่จะดูอะไรดีเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นไม่ต้องทำให้ตั้งมั่นเนี่ยรู้สึกไหมมันสายไปสายมาเห็นไหมมันสายของมันเองดูออกไหมมันสายได้เองยังดูไม่ออก ดีแล้วไปเรียนที่อาจารย์สุรวัต์อีกสักพักหนึ่งนะแล้วมาส่งกันบ้านใหม่เอาเบอร์นูน้นเบอร์6กกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ได้ปฏิบัติมาพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ใช้การระลึกรู้ในชีวิตประจำวันก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นเนื่องจากที่เรา ได้รับรู้กิเลสแล้วรู้เท่าทันมันนะคะแล้วก็มีกิเลสอยู่บางสามตัวที่มีความรู้สึกว่าโดนกิเลสมันหลอกก็คืออย่างอย่างแรกก็คือความรู้สึกเบื่อพอเบื่อปุ๊บเนี่ยจะโดนมันหลอกแล้วก็คือเราจะไม่รู้ทันแล้วเราก็จะเลิกปฏิบัติไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความสงสัยขี้เกียจ ด, ด, ด้วยค่ะคล้ย <laughs> ายๆกัน <laughs> ความสงสัยไม่เท่าไหรค่ค่ะความสงสัยแค่รู้ก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะ คนนี้ยังเก่งค่ะแล้วก็ะจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ความรู้สึกกลัวค่ ะ, ะไม่ไม่กล้าระ ล, ลึกรู้ความกลัวของตัวเองเพราะว่ากลัวกลัวผีมันรู้ว่าเรากลัวค่ะอันนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะก็รู้เวลาเวลากลัวก็คือเหมือนกับว่าจะต้องลืมตาดูให้ให้เห็นว่าไม่มีผีจริงๆแล้วเราถึงถึงจะถึงจะขายกลัวเราเอาตาไปดูผีก็ไม่เห็นสิ ก็ไม่เห็นก็ถึงไม่กลัวไงค ะ, ะก็คือแต่ไม่ได้ไม่ได้หายกลัวเพราะมีสติอะคะ่ะมันคือมันคนละอย่างกันนะคะแต่หลังใจแข็งๆนะตามสถิติที่หลวงพ่อเก็บมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครถูกผีฆ่าตายเลยมีแต่ถูกคนฆ่าตายกลัวกลัวตัวเองจะฆ่าตัวเองตายเพราะว่าตัวเองกลัวผีอะคะ่ะหลวงพ่อเมื่อก่อนก็กลัวผีนะเป็นแชมป์กลัวผีเลย ตอนเด็กๆนะลูกแมวในบ้านตายนะกลางคืนยังไม่กล้าหลับเลยกลัวผีแมวมาเข้าฝันนี่กลัวเยอะกว่าเราอีกเห็นไหมพยายามนอนลืมตานะกลัวกลัวเราก็ดูเา้าดูทำไมเรากลั ว, ร, วรากเง่าของความกลัวที่สุดนะก็คือรักตัวเองนั่นแหละนี่เรารู้ทันลงไป น, นะถ้ารู้ลงไปมันรักตัวเองเลยกลัวกลัวผีหลอก แต่ว่ากว่าจะหายกลัวผีก็นานนะยากมันต้องสู้อะ่ะหลวงพ่อเลิกกลัวผีเพราะว่าหมานะไปได้อาจารย์หมาสอนให้ตอนนั้นไปอยู่วังน้ํามอกอยู่กุฏิหนึ่งมันทางเข้าป่าช้าเลยก็กลางคืนก็กลัวนะเราไปอยู่ใกล้ป่าช้าทับทักอยู่บริษัท ต, ตาแหกกลัวที่สุดเลยนะวันหนึ่งก็คืนนั่งภาวนานได้ยินเสียงเดินเดินศพศพศนะ กลัวมันเดินไปทางป่าช้าด้วยแล้วเป็ดมันก็เดินออกมาอีกโอ้กลัวมากเลยนะจะตัดใจเด็ดขาดเลยเอาไฟฉายส่องมันดูหมานี่เองอะ่ะหมาเข้าไปคาบกระดูกมาโอ้ยหมามันไม่กลัวผีฮะไปมเอาผีมากินนักกรรมฐานนี่โอ้ยตัวตัวรัวตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวสั่นเหงื่อแตกเลยนะทั้งทั้งที่อากาศหนาว เลยออกมาบ้างหมามันยังเดินได้เราก็เดินได้แต่วันแรกไม่ได้เดินเข้าไปกลางป่าช้านะแค่เข้าไปข้างหน้านะ <laughs> จะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะพวกที่กลัวผีในขณะที่เห็นผีเนี่ยเราจะไม่กลัวจำไว้นะในขณะที่กลัวจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นเนี่ยจิตเราจะทรงสมาธิอยู่ผีจะกลัวเรา เพราะงั้นถ้าไปเจอผีไม่ต้องตกใจนะถึงจิตเรามีสมาธิอยู่เขากลัวเราเราไม่ต้องกลัวเขาแต่ถ้าจิตใจเราวักแวกวักแวกนี้เราก็ไม่เห็นผีหรอกผีก็หลอกเราไม่ได้อยู่คนละมิติกันงั้นอย่าไปกลัวเสียเวลาคนนี้มาแปลกคนทั่วๆไปนะโดนกิเลสน็นอกสองตัวเบือ่อกับสงสัยคู่นี้พอเบื่อแล้วก็ขี้เกียจดูเลยสงสัยแล้วก็ไม่ยอมดูรีบไปคิดหาคาตอบ นั้ไม้ตายของกิเลสจริงๆนะคือเบื่อกับสงสัยนี่ร้ายที่สุดเลยเรื่องกลัวเรื่องอะไรนี่เป็นกรณีพิเศษนานๆเจอทีนึงใช้วิธีนี้สิกลัวตรงไหนไปตรงนั้นกลัวก็คือก็คือที่บอกว่ามองมองให้ดูเลยค่ะว่าไม่มีก็คือเราก็สบายใจเออเอาเอาเนั้นนี่นี่ต้อเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายจะบอกให้ไปอยู่ในป่า ปาที่ไหนหน่ากลัวก็ไปภาวนาที่นั่นแต่ผู้หญิงทำไม่ได้เดี๋ยวโดนใครเขาฉุดไปผีไม่ฉุดหรอก <c oughs> มันต้องป้องกันตัวเองมากเลยลำบากนะสังคมเราเลวร้ายรังแกผู้หญิงอ่ะเบอร์ห้าได้อีกสักสองคนนะเหลวงพ่อต้องไปเยี่ยมคนเจ็บหนักเยี่ยมญาติกลับกลับนมัสกานพราจา์ค่ะเพิ่งมาครั้งแรกก็คือ คงจะเรียนถามว่าควรจะปรับปรับอะไรบ้างลดลดความจงใจลงนะที่จะบังคับตัวเองอะ่ะลดตรงนี้ลงนิดนึงแล้วก็รู้ไปอย่างสบายสบายอย่างขนาดเนี้ยตั้งใจฟังแล้วทราบไหมไม่ได้ตั้งใจอย่างเดียวข่มใจให้นิ่งด้วยอย่าไปข่มมันเราต้องการรู้ความจริงของกายของใจเราไม่ได้ต้องการบังคับกายบังคับใจลดการบังคับลงใจลอยแว บ, บหนึ่งทราบไหม ใช่หนีไปเนี่ยไปอีกแว็บหนึ่งแล้วรู้สึกไหมยังดูไม่เป็นดูดูดูจิตไม่ออกดูกายไป <sized> เห็นไหมไอ้ตัวนี้เมื่อกี้มันพยักหน้ารู้สึกไหมมันพยักหน้าอีกแล้วะเออตามรู้มันไปเห็นมันกระดุกกระดิกนะให้มันพยักหน้าไปก่อนแล้วก็รู้ว่ามันพยักหน้าเห็นไหมเมื่อกี้มันกับพยักหน้าอีกนิดนิดเห็นไหมมันพยักหน้าอีกแล้วเนี่ยดูไปอย่างนี้รู้สึกไหมใจมันจะโลง่งขึ้นโลง่งขึ้นนะ พวกเราไม่เข้าใจการปฏิบัติสติปัฏฐานสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนไม่ได้มีขั้นตอนเดียวสติปัฏฐานนี่มีขั้นตอนทำให้เกิดสติกละทำให้เกิดปัญญาในขั้นของการทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเราจะรู้กายลงปัจจุบันแต่รู้จิตเราจะตามรู้เอาแต่ในขั้นทำให้เกิดสติเนี่ยเราจะตามรู้ทั้งกายทั้งจิตเช่นเมื่อกี้นี้พยักหน้า พอเรานึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้พยักหน้านะจิตเราจะตื่นขึ้นมาเนี่ยพยักหน้านิดนิดแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยใจสงสัยขึ้นมาแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูจิตไม่ออกดูกายเป็นะแล้วแต่จริตนิสัยดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ถ้าดูกายเป็นต่อไปก็ดูจิตเป็นดูจิตเป็นต่อไปก็ดูกายเป็นเพราะฉะนั้นร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกแต่อย่าไปจ้องไว้ก่อน อย่าไปนั่งดูนะว่าส่วนใหญ่ชอบทำท่าอย่างเงี้ยต้องทําให้เรียบร้อยก่อนนั่งรอให้เมื่อยก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆขยับนะค่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ธรรมชาติใจมันจะแข็งๆใจมันไม่สบายเอาไว้ว่าเราขยับตัวขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยรู้ว่าเมื่อกี้ขยับตัวเนี่ยรู้สึกไหมเราเอียงตัวนิดหน่อยเมื่อกี้เนี้ยค่อยๆรู้สึกไปนะค่อยรู้สึกไป อย่าไปบังคับตัวเองอย่าไปเพ่งจ้องให้ตามรู้กายไปหลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะคำว่าตามรู้กายเนี่ยภาษาบาลีคือคําว่ากายานุปัสสนานั่นเองปัสสนาแปลว่าการเห็นการรู้การเห็นอนุแปว่าตามตามรู้กายเนืองเนืองตามรู้เวทนาเนืองเนืองตามรู้จิตเนืองเนืองตามรู้ธรรมเนืองเนืองตามรู้หมดเลยทั้งสี่อันตามรู้ไปแล้วจะเกิดสติ พอมีสติแล้วเนี่ยรู้กายลงปัจจุบันไม่ใช่ตามรู้ละรู้กายที่กําลังปรากฏแต่ว่าจิตเนี่ยตามรู้ต่อไปนะงั้นสองขั้นตอนนี้ไม่เหมือนกันให้ผลที่แตกต่างกันจุดแรกต้องฝึกให้เกิดสติให้ได้ก่อนนี่จะให้ได้สตินะต้องมีการจําสภาวะได้อย่างการที่เราเกิดระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าเงี้ยเมื่อกี้พยักหน้านะไม่ใช่ขณะนี้กําลังพยักหน้า เมื่อกี้ขันเมื่อกี้เผลอไปเก่าเนี่ยสตรีมจะเกิดเองเนี่ยจะรู้สึกตัวขึ้นมนาะงงหน่อยนะฟังครั้งแรกเขาก็งงทั้งนั้นแหละธรรมดาหลวงพ่อพูดไปพูดมายังงงเลย <c oughs> เดี๋ยวเอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วก็สังเกตใจของเราไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจถ้าเข้าใจเราสั้นนิดเดียวเลยการปฏิบัติไม่ยืเดเยอหรอกเดือนสองเดือนเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนไปอย่างคุณมนนี่ประจานหน่อย ฟังหลวงพ่อตั้งหลายปีนะฟังไม่รู้เรื่องหรอกพอฟังแล้วก็คิดอุตรุนเลยนะไม่ใช่นะอาจารย์โน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าฝึกอยู่อย่างเนี้ยนะวันหนึ่งนะลองรู้จริงๆดูรู้ซื่อๆดนะูตอนนี้ก็ภาวนาเป็นแล้วเป็นปนิวมณ์สี่ปีกว่าจะเป็นนิวมณ์นะสีป่ปีแล้วคนไหนไม่ดื้อ น, นะฟังแล้วก็รู้ไปรู้ไปแป๊บเดียวก็เป็นอย่างนี้ก็เร็วไม่ถึงปีเลยพว่งเนี้ จูนแข็งขึ้นมาอีกแล้วจูนใช้ไม่ได้แล้วเอา้าหลวงพ่อพูดเกินเวลาไปแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อไปไม่ทันเขาผ่าตัดเอแต่เขาผ่าแล้ว <laughs> <laughs> ยไปดูโอเคนะ